ส่วนกายายตนะได้กำเนิดทั้งหมดใช่ไหมทั้งสังเสริชาโอปปาติกานี่ได้กำเนิดทั้งหมดไหมกายายตนะนั้นได้กำเนิดทั้งหมดคือบางแห่งก็ได้จกักขูโศตากานะชิวหาอายตนะจากักขูโสตากานาชิวหาในทั้งสนี้มุ่งหมายจะสังเสรชาโกระโอ ป, ปาติกานี่เกี่ยวกับในเรื่องของปัญจโวกา ปัญจโวกาลภูมิไม่มีไม่มีจักขคูโสตะจกักรคูโสตะจริงๆจักขคูโสตะแล้วก็อะไรเนี่ยอดูลนามต่อนะข้อเก้าใช่ไหมนามกือเจอสิกขันสามที่ประกอบกั บ, กบปัญจโวการลปฏิสนธิรู้จักปัญจโวการลปฏิสนธิไหมเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่ <15. S 1> มีสิบห้าเว้นสี่เว้นอรูปปฏิสนธิสี่แบ เป็นปัจจัยช่วยประการะแก่ปัญจายตนะคือเป็นปัจจัยช่วยประการะแกบจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะครบไหมยังครบแล้วนะมีอายตนะห้านี่ยเราก็ปัญจายตนะในปฏิสนธิการเอาในขณะปฏิสนธิเท่านั้นในโยมูเแห่งปัญจโวการภูมินั้นด้มาตาปัจจัยหกหปัจจัยดูกัน สหาชาตะสหาชาตานิสยาสาชาตทิทีสหาชาตาวิกตะใหญ่สี่กลางมาเท่าไหร่กลางได้สองวิปากับกบสหาชาตะวิประยุตเห็นไทำไมได้สหาชาตะเออได้วิปากับปัจจัยพานนามนามเจสิกันสามที่ประกอบกับปัญจโวกาลาปฏิินที่นั้นเป็นวิบากไหมเป็นวิปากับปัจจัยและสหาชาตะวิประยุต นามกับรูปเป็นเกิดพร้อมกันไหมเกิดพร้อมกันในปฏิทินทีการแต่เป็นวิปยุทธ์กันนี่ได้ซาชาตาวิปที่นี้จักขายตนาโสตายตนาคานายตนาและชิวหายตนาย่อมได้เกิดแก่สัตว์ที่เป็นสังเสรชะกํำเนิดและโอปปาติกากำเนิ ด, ด, เ, นดเว้นอะไรเว้นกายายตนะไม่ได้กายายตนาส่วนกายยตนะนั้นได้ย่อมได้กาเนิดทั้งหมด คือเขายกตัวอย่างว่าถ้ากําเนิดทั้งหมดเนี่ยกายายยตนะนี่ได้กายายยะตนะได้สังเสริฐชากําเนิดไหมได้แล้วก็ได้โอปปาติกะกําเนิดไหมได้ไดชาลาพุชะไหมได้ได้ครับประเสราาิญิกะไหมได้ได้ครบหมดเลยไม่สี่กําเนิดแต่ถ้าสี่นี้ได้กี่กําเนิดเอห้าเนี้ยเอสี่เนี้ยไดสองกาเนิดสังเสริฐชากับโอปปาติกะท่านวางงั้น นี่เข้าใจแล้วนะหรือติดขัดตรงไหนถามว่าทําไมสาชา ต, ติชาติเล็กไม่มาเหตุ ates, อธิบดีอินซีชาดมากไม่ได้เลยไม่ได้จอดจองเลยน้ำมาขันสามไม่ได้ระบุลงไปเลยว่าจะเอาเหตุจะเอาอธิบดีจะเอาอินซีจะเอามากใดมากหนึ่งไม่ได้ระบุลงไปนี่เป็นอย่างนี้นะแต่าการต่อมากึนน้ม เจตสิกขั้นสที่ประกอบกับปัญจโวกาละปฏิสนธิเอิ่มคอปัญจโวกาละวิปากาจิตเป็นปัจจัยช่วยโวการะแก่ปัญจายะชนะในประวัติการอันนี้ไม่ใช่ในปฏิสนธิการเนะือเอาในประวัติการในประวัติการได้สปัจฉาชาตชาติมาเนี่ยโอ้โหไม่ได้โยงให้ดูนะเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆในประวัติการเนี่ยได้ปัจฉาชาตตวปัจัยปัจฉาชาตวิประยุต ปัจฉาชาตทีปัจฉาชาตวิคต์เนี่ยที่ได้อย่างนี้เพราะอะไรทําไมได้ได้วิปยุทธปัิจัยทั้งสี่วิปยุทธเนี่ยไหมเขาเรียกได้ในชาติไหนอยู่ในชาติไหนอยู่ในปัจฉาชาตชาตใช่ไหมคำว่าปัจฉาชาตะชาติเนี่ยอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังปัจจัยเกิดก่อนปัจปัจใจเกิดเอปัจจัยเกิดทีหลัง ปัจจัยธรรมในเกิดทีหลังช่วยอุปการละแก่ปัจจัยุบาลธรรมที่เกิดก่อนนี่เที่ยเห็นปัจจัยที่เป็นปัจชาชาตชาจะมีสี่ใช่ไหมปัจฉาชาแต่ปัจจัยปัจชาชาแต่วิประโยชน์ตปัจจัยปัจชาชาตัตถีปัจชาชาต่วิคตะเกี่ยวในเรื่องของปัจจัยธรรมเนี่ยคือจิตใช่ไหมปัจจยุบาลธรรมก็คือเอกพวกสมุทฐานทั้งหลายเนี่ย มีเอกขชากรกรรมชักรลาบสามเจ็ดสที่เกิดในปฏิสนธิการทวิกายหมากรรมชักรลาประตูชักกราลที่เกิดที่ถีจิตขณะและพังทักนาของปฏิสนธิติชกายกัหมายเอากรรมชักรลาประตูชักกราลจิตชักกราลตั้งแต่อุปาทขนาของปฐมประวังไปจนถึงก่อนอาหารชักราบเกิดจตุชากรหมายถึงกรรมช กราบอุตูชกราบจิตตะชกราบและอาหารชกราบตั้งแต่อาหารจชกราบเริ่มต้นเกิดขึ้นแกสัตว์ทีนี้ถ้าดูในเรื่องตรงนี้นะมบอกว่านามคือเจตสิกขันสามที่ประกอบกับปัญจโวการวิบาก ค, คือคือคือคือทวิเท่าไหรเทวิปัญจทวิปัญจวิญญาณเจสิที่จรงิงอะไรก่อนหน้านเนี่ยผวังผวังก็จรณ ะ, ะนะเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงทวิสิ <c oughs> สัมปติชนะสันติและกัตถารำนาที่เกิดที่หลังสรุปแล้วพวกนี้วิบากทั้งนั้นไหมวิบากนะเพราะวังอตีต่าวังไอ้อระนะวังก็จะดันนะระวังคู่เปชเอชาเนี่ยรวังสิบห้าเนี่ยนะรวังแล้วก็ทอทหาแล้วก็สิบห้าหมายถึงปัญจโวกาละระวังสิบห้าที่ในปัญจโวการภูมิเว้นอารมณ์วังสีง่มองเห็นยังมองเห็นนี่ยังเห็นแล้วเนี่ยเฮอนี้ต้อง ไม่ใช่แล้พยายามพยายามพยายามจะบอกบอกใครจะไปไหนไปเฮ้ยไม่ตามหรอก <c oughs> เป็นงั้นป่ะบอกพูดไงก็ไม่สนแล้วนี่พระวังสิบห้าแล้วก็ทวีปัญจวิญญาณนั่จิสิบใช่ไหมแล้วก็สัมปติสสองสันติรานะสามตถารําณีสิบเอ็ดคือสันติสามหายบากแปดที่เกิดหลังๆเป็นปัจจยธรรมเป็นปัจจยธรรมของใคร ให้สังเกตดูที่เนี่ยที่ลูกศรขีดผวังอุปาทขณาของผวังคจารนะทิฏิขณาของผวังคจารนะเว้นพังคขณาของผวังคจารนะทําไมต้องเว้นขนาดดับไม่เป็นปจัจจัยแล้วก็อุปาทขณาของผวังคุปเชฏฐาทิฏิขณาของผวังคุปเชฏฐเว้นพังคัคขณาของผวังคุปเชทะาตัณฑ์ทวารละชนะไม่เอาเพราะเป็น เป็นเป็นเป็นอะไรเป็นกริยาเนี่เป็นกริย า, เ ป, ยาเป็นมโนธาตุที่เป็นกริยาจิตเนะี่ยเพราะไม่ใช่วิบากใช่ไหมในที่นี้หมายถึงวิบาก น, นามนามนั่นจะต้องเป็นปัจจัยกี่วิบากใช่ไหม <c oughs> ต้องนามในวิบากเท่านั้นไม่ใช่นามในกิริยาจิตหรือในในอกุศลจิตไม่เอาในกุศลจิตก็ไม่เอาเอาที่เป็นวิบากจริงๆแล้วก็ทวีสิบใช่ไหม ทวีสิบนั้นเอานานะ้ำเนอะไม่ใช่เอาเอาตัวทวีสิบเนอะเอาเอาน้ำในนั้นเนอนะมองเห็นอย่างเดี๋ยวนี้เห็นไหมตรงเนี้ยเห็นแล้วเนะ <c oughs> เอาตัวนามนาม้ำเจีสิกันสามอะที่ประกอบอยู่ในวิบากพวกเนี้ยที่อยู่ในทวีสิบที่อยู่ในสัมปติชนะอยู่ในทวีสิบเท่าไหร่โยมนาำ ม, มีเท่าไหร่ในทวีสิบก็เลยมีสาม 3, นี่นละมีกี่ดวงมีกี่ดวงยอมโสรีมีกี่ดวงเออมีเจ็ด ใช่ไหมสาภาเจ็ดใช่ไหมแต่ต้องเรียกว่านามเจตสิกขันสามไหมนามเจตสิกขันสามสัมปติสันติโวตไม่เอานะชาวนะก็ไม่เอาแต่ทารมนาเอาแต่เอาที่อุปาทัศนากับถีตีขณะเท่านั้นเป็นปัจจัยช่วยบุการะแก่ปัญจา ย, ยตนาคือจักขวายตนาโสตาคานาชิวหากายาที่เกิดก่อนๆ อ, อันนี้เป็นปัจจยุบันถามว่าเกิดหลังแล้วเป็นปจัจจัยแกเปิด ก่อนได้ยังไงก็ต้องถามต่อมาอีกก็คือว่าถ้าหากไม่มีนามคือเจตสิกขันสามในภวังในทวิในสัมปติในสันตีในตถาลัมมณเหล่านี้แล้วถามหน่อยว่าจากขายาตนาจะจากขวายาตนาจะตั้งอยู่ได้ไหมถ้านามเหล่านี้ไม่มีแล้วจากขวายาตนาจะตั้งอยู่ได้ไหมไม่ได้เลยเขาเป็นปัจจัยทําให้ อายตนะเหล่านั้นสามารถตั้งอยู่ได้จนครบสิบเจ็ดขณะมองเห็นอย่างไรไม่เห็นจันได้เห็นตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นปัจจัยไหนฐานะเกิดหลังอุปการลาแก่รูปธรรมที่เกิดก่อนเอาเป็นปัจจัยยังไงถามว่าถ้าหากไม่มีจักรคุยยาณอายตนะจะเกิดได้ไหม ไม่มีโสตวิญญาณไม่มีคานาวิญญาณไม่มีชิวหาวิญญาณไม่มีกายยวิญญาณเลยเนี่ยถามว่าอายตนะจะเกิดเพื่อประโยชน์อะไรอะคนที่ตาบอดคนที่ไม่มีจักขูวิญญาณไม่มีโสตวิญญาณถ้าจะเกิดเนี่ยเพื่อประโยชน์ก็ใช่ถามว่ากรณีคนไม่มีจักขูวิญญาณทีนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าไม่มีจักขูวิญญาณเป็นต้นเนี่ยไม่มีจิตเป็นต้นที่เกิดหลังๆเนี่ย ไม่มีนามคือเจอสิกเป็นต้นที่เกิดหลังๆเนี่ยถามว่าจะตั้งอยู่ได้ยังไงจะตั้งอยู่ไม่ได้เลยนั่นไม่เห็นไหมว่าจริงๆที่เขาสามารถตั้งอยู่ได้ก็เพราะว่ามันมีอยู่เอาอย่างนี้ถ้าเราเห็นชัดเจนหน่อยก็คือว่าถ้าลูกตายเนี่ยสถานะความเป็นแม่ไม่มีเลยหมดไปเลยเขาตายแล้วมองเห็นเนี่ยนะจริงๆมันสําคัญนะไม่ใช่ไม่มสําคัญนะเาเกิดหลังในอุปการละความเป็นแม่กับเรา คือเรามองอันนี้มองในแง่ของปัจจัยเกิดหลังอุปการะทำที่เกิดก่อนไม <c oughs> ่ได้ปิดไม่ได้ปิดแคบหมดเลยอันนั้นในแง่ของวัตถุปเรชาตชาติถ้าเป็นคิดในแง่ของวัตถุปเรถ้าไปคิดในวัตถุปเรชาตชาตินะอย่างเดียวเนะืเดี๋ยวไปขัดสาชาติชาติเดี๋ยวไปขัดอารามนาชาติเดี๋ยวไปขัดอนันตราชาตเดี๋ยวไปขัดประจตุปนิสยชาติเดี๋ยวไปขัดนานาคณิกากรรมชาติ แล้วคุณจะขัดอีกเยอะติดขัดอีกเยอะเพราะจริงๆมันเป็นปัจจัยกันแล้วแล้วมันก็เป็นของมันมาตั้งนานแล้วแต่ไหนแต่ไรเขก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละคําสอนเนี่ยนะเป็นอย่างนี้จริงๆพระเจ้ากล่าวตามความเป็นจริงนะไม่ได้บัญญอยาสิ่งที่มันไม่มีให้มีขึ้นนะมองออกอย่างตัวเนี้ยมีปัจจัยเกิดหลังอุปการะแก่แก่สาภาวะธรรมที่เกิดก่อนรูปคือหัตย้าถูรูปเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่มัญายตนะ คือปฏิสันที่เจ็สิบห้าคือปฏิสนที่จ็ดสิบห้าอันนี้เอารูปนะหัตถยาวะทูหัตถยาะทูเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนอันนี้หัตถยาวะทูตัวหัตถยาวะทูเป็นปัจจัยอุปการละแก่มัญายาตนะอันนี้เขาเรียกว่านามและรูปใช่ไหมนี่มาอยู่ในข้อของรูปไนงะรูปเป็นปัจจัยแก่อายตนะรูปในที่นี้เป็นปัจจัยแก่ฉัฏฐานะเนะ ในปฏิสนธิการของสัตว์ในปัญจโวกระรภูมินั้นด้านหน้าปัจจัยหกโอตรงนี้ถ้าเอาหัตถยาวัตถุรูปเป็นจุดตั้งเนี่ยเป็นตัวตั้งเนี่ยนะให้สังเกตอะไรจะมาอัญญามัญญาอัญญามัญญาจะมานะในอุปาทัคณาของปฏิสนธิจิตในชีตมิมใช่ใช่ปฏิสนธิหัตถยาวัตถุเท่านั้นต้องปฏิสนธิหัตถยาวัตถุเท่านั้น พราะเขาได้สาชาติชาติเนะถ้าหากหลังๆมาไม่จัดว่าเป็นสาชาตชาตินี่ๆเป็นนี้ฉะนั้นจึงได้อัญญามัญญะปัจจัยจึงได้สาชาตยุประยุติปัจจัยจึงได้สาชาตะเอได้ได้สองนะกลางกลางได้สองใหญ่สี่สาชาตาปัจจัยสาชาตานิสยาสาชาติทิสาชาตาอวิคตะได้หกปัจจัยทีนี้ ในหกปัจจัยเนี่ยในจำนวนหกปัจจัยนะถามบอกว่าถ้าดูบอกเอ๊ะทำไมไม่ได้ปัจจัยอื่นล่ะรูปไม่เป็นเล็กทั้งหมดเลยใช่รูปไม่เป็นเหตุไม่เป็นอธิบดีไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอาหารไม่เป็นกัมไม่เป็นฌานไม่เป็นมรรครูปเอะถ้าไล่ไล่ไปไล่มาเนี่ยจริงๆเอ๊ะถ้าไปดูตรงนั้นเอ๊ะทำไมไม่ได้รูปอาหารแลวปัจจัยเป็นต้นไม่ได้ ไม่ได้ในที่นี้ได้สาชาติชาติเพราะตัวปัจจัยกับปัจจยุบันเกิดพร้อมกันหัตยวัตถุกับปัญจวกรปฏิสนธินี่เกิดพร้อมกันไหมเกิดพร้อมกันเลยพอดีพอดีก็เกิดพร้อมกันพอดีพอดีเลยตรงเนี้ยเนี่ยทนทัพเวลาเวลาสัตว์ปฏิสนธิเนี่ยเนี่ยตัวอุปาทขณาของหัตยวัตถุกับตัวอุปาทขณาของปฏิสนธิจิตเนี่ยพร้อมกันเลย เหมือนอะไรก็ว่าเหมือนนกอานกเป็นยังไงเวลานกบินไปจับนกบินจับกิ่งไม้อะเงาเงาจับกิ่งไม้กับตัวนกจับกิ่งไม้พร้อมกันไหมเงากับตัวจริงกเกิดพร้อมกันฉันใดเอ่างั้นปฏิสนธิรูปกับปฏิสนันธิน้ำก็พร้อมกันอย่างนั้นเลยเหมือนหมาหมอดรจริงเนอะเกิดพอดีลเลยคํำหมาอดรอที่ถูกไหยถูกนะเดี่ยพอดีเลย นามระรูปอย่างลงปฏิสนธิในพบในภุมนั้นๆได้เออเป็นอย่างนี้ทีนี้พ อ, พอ ป, ปฏิสนธิครั้งแรกเนะียถ้าเอาหัตถยอ่อถูกมาเป็นปัจจัยได้หน้าปัจจัยหกเนะได้อัญญามัญญาปัจจัยซึ่งกันและกันเนอะระหว่างตัวปฏิสนธิหัตถยา ก, กับปฏิสนธิปัญจโวการาเนี่ยอัญญมัญญาคือขาดกันไม่ได้เลยว่างั้นเอะจะไปบอกว่าเออเกิดก่อนเกิดหลังไม่ได้ต้องซึ่งกันและกันแหลแล้วก็ต้องเป็น สาชาตาวิปด้วยเกิดพร้อมกันเป็นวิบประโยชน์ด้วยแล้วเป็นสาชาตาปัจจัยด้วยนะเป็นสาชาตานิสยาเป็นสาชาตัดทิเป็นสาชาตาอวิคตะาเนี่ยมีเป็นอย่างนี้ข้อที่12รูปคือหาทัยอถูที่เกิดก่อนและกำลังตั้งอยู่เป็นปัจจัยช่วยบการาแก่มนายาตนะเป็นปัจจัยแก่มนายาตนะเป็นอย่างไรเป็นปัจจัยแก่มนายตนะด้วยอานาจ ด้วยนาจอะวัตถุปุเรชาตปัจจัยแนวตัวนี้นะจริงๆเป็นปัจจัยแก่มานายนาตนะคือปัญจโวการลปฏิสนธิจิสิบปดเว้นทวิสิบนะในประวัติการแห่งปัญโจกระภุมได้อำนาจปัจจัยห้านี่กลุ่มนี้วัตถุปเรชาตชาติเข้ามาไหมวัตถุปุเรชาตชาติมาใช่ไหมได้มำนาจปัจจัยเท่าไหร่ทําไมไม่ได้หกหาทยัวัตถุรูปไม่เป็นอะไร ไม่เป็นอินซีใช่ไหมไม่มีหะทะอินซีเยไม่มีหรอกใช่ไหมไม่มีอินซีหรอกนี่เข้าใจไหมอันนี้จะดูตรงไหนดูที่ไหนถึงจะชัดี๋ย่อยหมูมองเห็นไหมอธิบายหน่อยดิไหนชิดหน้าที่เท่าไหร่ฮะชิดหน้าที่เท่าไหร่หเรออมอง <c oughs> เอาว่าไป รคคือหัตถยวัตุใช่ไหที่เกิดก่อนและกำลังตั้มตั้งอยู่เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ปัจยิุบันธรรมได้อำนาจปัจจัยห้าคือวัตถุปเรชาแต่นิสยาวัตถุปเ ร, ช า, ปรชาตะวัตถุปเรชาแต่วิปยุตวัตถุปเรชาตติและก็วัตถุปเรชาต ะ, วว ะ, าตะอวิคตะฉะนั้นตัวหัตถยวัตุเนี่ยในที่นี้เขาตั้ง เกิดที่อุปาทัศนาของจักขุ ญ, ญาณเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุสามปฏิชนะติสองเป็นปัจจยุบันเป็นผู้อาศัยหัตยวัตถุกเกิดเป็นต้นเนี่ยนะแท้จริงคือสิบแปเนี่ยเว้นทวิสิบออกไปทําไมต้องเว้นทวิเพราะว่าไปแล้วนะว่าไปแล้วในที่นี้เน้นหัถยาเพราะหัถยาวัตถุไม่ได้เป็นที่อาศัยให้กับทวิสิบจำเพาะ หัตยะวัตถุไม่ใช่จักขุูไม่ใช่โสตะไม่ใช่คานะไม่ใช่ชิวหาไม่ใช่กายะใช่อันนี้ได้วัตถุปุเรชาติชาติตัววัตถุปุเรชาติชาตินี่คือตัวปัจจัยจะต้องเป็นวัตถุใดวัตถุหนึ่งแต่ในที่นี้เป็นหัตยะวัตถุและตัวปัจจัยจะต้องเกิดก่อนและกาลังตั้งอยู่และเป็นที่อาศัยมองเห็นอย่างดนเดนี้อันนี้เกิดก่อนไหมตั้งอยู่ไหม เกิดก่อนใช่ไหมฮะเทวถูกเกิดก่อนและตั้งอยู่แล้วเป็นที่อาศัยให้กับมโนธาตุนะมโนธาตุแท้จริงมโนยาณธาตุด้วยเนะนี่นี่แจริงปัญจวการะปฏิเ อ, อวิปากาจิตสิบปดปัญจวกราเนี่ยวิปากาจิตมีทั้งหมดเท่าไหร่ที่เป็นปัญจวกราสิบแปดบวกสิสิบแปดบวกสิเป็นยี่แปดใช่ไหแล้วขายไปไหน รูบากสามสิบสองเอาเอารูปวิบากอสี่ใช่ไหมในที่นี้เอาปัญจโวการละว่าอารมณมันไม่มีรูปใช่ไหมก็ตัดทิ้งออกไปต่อไปรูปข้อที่สิบสามตรงนี้ไม่เข้าใจเออไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สงสัยเนะืรูปคือปัญจโวกะปัญจายาธนาที่เกิดก่อนและกำลังตั้งอยู่เป็นปัจจัยช่วยประการละแก่มานายาธนามานายาธนาในที่นี้คือทวิสิบอันนี้อันนี้ง่ายเลยตีเนี้ยเอาวัาชิมายุกาจากกักรุปศาสตร์ มันทายุกะอมันทายุกะมามาเป็นจุดตั้งอยู่แล้วเห็นเลยจะเนี้ยนะมัชชิมายุกาจากขุป萨ตหนึ่งเป็นปัจจัยแก่ทวีปัญจวิญญาณจิตสิบตามมติของท่านโบราณอาจารย์เรียนกันไปแล้วตรงนี้จะเห็นอํานาจปัจจัยแล้วมาตรงนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เรียนไอตัวปัจจัยนั้นนะนี่เรียนแบบคร่าวๆไปก่อนกันแล้วกันตรงนี้ได้วัตถุปเรชาตนิสยะ วัตถุปเรชาตะคือตรงนี้เป็นอย่างนี้ปัญจภาษาทที่เข้าถึงถีติขณะของตนมีจำนวน49ก็เป็นปัจจัยแกทวิสิสัพพาเจตตามอาจารย์ภายหลังภาษาทรูปหรือปัญจา ย, ยตนาเหล่านี้เป็นปัจจัยยธรรมด้านหนาจปัจจัย6กนะเป็นกลุ่มของวัตถุปเรชาตะชาติมีอะไรบ้างอะวัตถุปเรชาตะ วัตถุปเรชาตัดนิสยวัตถุปเรชาตวิบวัตถุปเรชาตัดทีวัตถุปเรชาตวิขตาแล้วมีอะไรอีกปัจจัยหนึ่งฮะได้น้าปัจจัยเท่าไหร่ได้หกนะไม่ใช่ห้านะได้วัตถุปุเรชาตินตรียปัจจัยจักครูวัตถุนี้เป็นอินทรีย์ไหมเอามีวัตถุปเรชาตินตรียาไงจักขู่วัตถุเป็นอินทรียไ์ไหม เป็นจากขุณซีโสตา ว, วัตถุก็เป็นคานาวัตถุชิวหาวัตถุกายา ว, วัตถุหาทยาวัตถุเป็นไหมไม่เป็นนะได้ห้าอินรีเอง ป, ปัญจายตาตินะเป็นเป็นห้าอินรียนี่เป็นอย่างงี้นี่เกี่ยวกับในเรื่องของวัตถุปุเรชาติชาตินะ ในด้านของวัตถุปรีรชาต่ชาติเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือเราก็จะเห็นนะอำนาจของปัจจัยเนี่ยว่ายังจักมัชิมาโยกาจาักรุปสาต์หรือตามมติของอาจารย์ภายหลังที่บอกว่าถีติปัตตาสี่สิบเก้าเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยนะคืออาจารย์ภายหลังท่านว่าไงนะเอโบราณอาจารย์ว่าไงบอกว่ามัชิมาโยกา จากคูประสาทเท่านั้นคือจากคูประสาทที่จะเป็นปัจจัยแก่จากคุญญาณได้จากคุประสาทนั้นจะต้องเกิดพร้อมกันกับรูปารมณ์จากคูประสาทที่เป็นมันทายุกะจากคุประสาทหรืออมันธายุกะจากคุประสาทนั้นไม่สามารถเป็นปัจจัยให้เกิดแก่จากขุญญาณหรือทวีปัญญวิญญาณเป็นต้นได้หรือจากขุญญาณได้เพราะอะไรเพราะจริงๆตรงนี้ต้องเรียกว่ามัชิมายุกะปัญจประสาทเนี่ยนะ มชิมาโยกาปัญจประสาทเนี่ยถามบอกว่าข้อบ่งบอกเขาบอกที่อุปาทขคณะของอตีแต่ผวังหรื อ, อที่อุปาทขคณะของปฐมผวังเนี่ยตรงนั้นนั่นแหละจึงจะสามารถเป็นปัจจัยให้เกิดเกิดหละจึงจะเป็นปัจจัยให้เกิดจากขูวิญญาณโสแต่วิญญาณคาณวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยวิญญาณคือมนญญายตนะได้ถ้าหากว่านอกนั้นไม่เป็นแต่ถ้าอาจารย์ไปหลังว่าไงดีอาจารย์ไปหลังว่าไง ท่านบอกว่าสี่สิบเก้าเนี่ยซึ่งรูปใดรูปหนึ่งย่อมสามารถเป็นปัจจัยเกิดจากขู่ินยาณได้ทั้งสิน้นท้าบราณอาจารย์บอกธรรมที่จะเป็นปัจจัยได้นั้นจะต้องโดยโดยสูตรแต่ที่แรกนี้ก็าถามอย่างนี้เขาบอกว่าเ <c oughs> ขาถามบอกว่าทีติปตาของภาษาทรูปทั้งทั้งสามเนี่ยที่กําลังตั้งอยู่เป็นปัจจัยเกิดจากขู่อินยาณเป็นต้นได้นะถามว่า ถ้าถามบอกว่าปัญจัหรือว่าปัญจทวาริกะอติมหันตารมณ์ในที่นี้วิถีอะไรเนี่ยที่ยกมาเนี่ยนี่ไม่ใช่มหันตารมเนี่ยมีอติตะวังเท่าไหร่ ส, สี่ก็คือปริตารมณนี่นะในปริตารมวิถีนี่นะปัญจภาษาที่เกิดก่อนๆเมื่อถึงถิติปตาแล้วก็เป็นปัจจัยให้มนายตนะคือจากขูวิญญาณเป็นต้นเกิดได้ ทีนี้ปัญจประสาทที่เป็นถีติปตาเนี่ยนะมีจำนวนสี่สิบเก้าใช่ทั้งหมดในสี่สิบเก้าคือนับถอยหลังจากพังคฆณะของปัญจทวาราวชนะจิตไปจนถึงพังค ข, ขณะของพระวังดวงที่สิบเจ็ดจะได้ถีติปตาสี่สิบเก้าพอดีในสี่สิบเก้านี้ซึ่งรูปได้รูปหนึ่งสามารถเป็นปัจจัยให้ปัญจ วิญญาณเกิดได้ทั้งสิ้นทีนี้ส่วนท่านโบราณอาจารย์กล่าวว่าทำที่จะเป็นปัจจัยให้กับปัญจวิญญาณเกิดได้นั้นจะต้องเป็นนะมัชชิมายุกะใช่ไหมอาจารย์ภายหลังอะกล่าวว่าถีติปตาสี่สิบเก้านั่นแหละเป็นปัจจยัยเกิดปัญจวิญญาณได้ทั้งสิ้นอย่างเรารับเอามาทั้งสองในใช่ไหมร <c oughs> ับเอาทั้งสองในปัญหาอยู่ตรงไหนปัญหาอยู่ตรงที่บอกว่าตัว ประศาสตร์ก็หมายความว่ า, วามันทายุกะอมันทายุกะหรือมชิมายุกะเนี่ยหรือจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนี่นะจะเอามัชิมายุกะเป็นปัจจัยแก่ทวิปัญจวิญญาณจิตสิหรือแกเอา4ี่สปัญจภาะศาสตรที่เข้าตั้งถึงถีติปตา49เนี่ยตามมติของอาจารย์ภายหลังนี่นะทั้งสองส่วนเนี่ยล้วนแต่สามารถ เป็นปัจจัยให้เกิดอะไรนะทวีปัญจวิญญาณใช่ไหมถามว่าการเป็นปัจจัยให้ทวีปัญจวิญญาณเนี่ยเ้าเป็นยังไง <c oughs> การเกิดขึ้นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่หนึ่งจักรขวายะตนะโสตายะตนะคานะยะตนะชิวหายะตนะกายายะตนะตรงนี้เอาหรือเปล่าเอาไหมในข้อเนี้ยเอาใช่ไหมพราะอยู่ในในข้อของปัญจายยะตนะ อยู่ในข้อของปัญจายาตนะถ้าบอกว่าอยู่ในข้อของปัญจายาตนะเนี่ยถามบอกว่าที่เกิดก่อนและกําลังตั้งอยู่เพราะงั้นเกิดก่อนด้วยกําลังตั้งอยู่เมื่อกเกิดก่อนและกําลังตั้งอยู่จึงอยู่ในฐานะเป็นวัตถุไหมเป็นจักขคูวัตถุเป็นโสตวัตถุคานว ith, วาวัตถุชิวหาวัตถุกายยวัตถุเกิดก่อนเป็นเออเป็นวัตถุ เกิดก่อนคือปุเรชาตะนิสัยนี่คือเป็นที่อาศัยเป็นที่อาศัยให้กับจักจักขูวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายาวิญญาณเนี่ยถ้ามองอย่างนี้จะเริ่มเห็นแล้วจะเริ่มเห็นว่าตัวปัจจัยเกิดก่อนเป็นวัตถุกเกิดก่อนและตั้งอยู่เป็นที่อาศัยให้กับปันจวิญญาณหรือให้กับมนายาตนานี่ ถามว่าในการไหนนี่ในการไหนเนี่ยในการไหนในปฏิสนธิการหรือในประวัติการในประวัติการสรุปก็คือในความเป็นไปในชีวิตจริงในปัจจุบันนี้ใช่ไหฉะนั้นในชีวิตจริงในปัจจุบันนี้ที่เรากำลังเป็นไปอยู่เนี่ยจักขู่วัตถุเกิดเป็นอายตนะนั่นเองโสตวัตถุคารนาชิวหาและกายยาเกิดและตั้งอยู่เขาตั้งอยู่แล้วนะแล้วจักขู่วิญญาณเป็นต้นก็เกิด อาศัยเขาจึงบอกว่าตัวจักขูวัตถุเป็นวัตถุปุเรชาตานิสยะตัวจักขุวิญญาณเป็นวัตถุปุเรชาตานิสยาปัจจยุบันตัวหนึ่งเป็นวัตถุปุเรชาตานิสยาปัจจัยส่วนตัววิญญาณตัวมนายนะเป็นวัตถุปเรชาตานิสยาปัจจยุบันตัวจักขูวัตถุเป็นวัตถุปุเรชาติปัจจัยตัวจักขุวิญญาณเป็นต้นเป็น วัตถุปุเรชาตะปัจจยุบันไล่ไปตามลําดับลองทําท่าไลา่บ้างดูดิปัญจาวัตถุทั้งฮะปัญจายตนะว่าที่อะปัญจายตนะเป็นเป็นวัตถุปุเรชาตะนิสัยปัจจัยทวีทวีปัญจาวิญญาณเจสิบเป็นวัตถุปุเรชาตะนิสัยปัจจยุบัน ปัญจายตนาเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัยทวีปัญจวิญญาณจิตสิเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจยุบันปัญจายตนาเป็นวัตถุปเรชาตินตรีปัจจัยทวีปัญจวิญญาณจิตสิเป็นวัตถุปุเรชาตินตริยปัจจยุบันปัญจายตนาเป็นวัตถุปเรชาตวิปยุตตปัจจัยทวีปัญจวิญญาณจิตสิเป็น วัตถุปเรชาตาวิบยุตตาปัจจยุบันปัญจายตนาเป็นตัดทีปัจจัยปัญจาวิญญาณจิตสิเป็นวัตถุปเรชาตัดถีปัจจยุบันปัญจายตนาเป็นวัตถุปุเรชาตาอวิคตาปัจจัยทวิปัญจาวิญญาณจิตสิเป็นวัตถุปเรชาต่าวิคตะปัจิยุบันเอ๊ดูติดติดขาดขาดกันเนีเนี่ยไม่ค่อยคล่องเลยนะนี่ละต่อไปไปทําให้มันคล่องคล่องเลย แต่แต่ก็เกือบจะใช้ได้แล้วเนี่ยอต่อไปต่อไปรูปคือกรรมมชรูปสิบสี่รูปคือกรรมร 14, รรรมชัชมหาพูทธ ร, รูปสี่กรรมมัชมหาพูทธ ร, รูปสี่อ่ะคำคำนี้เข้าใจไหมทำไมยังเรียกอย่างงี้มหาพุทธ ร, รูปสี่ที่เกิดจากกรรมมหาพูทธ ร, รูปสี่ที่เกิดจากจิตจากอุตูเกิดจากอาหารไม่เอาไม่เอานะ เด็กฉันท่านทัพดินน้ําไฟลมเนี uh. ่ยเกิดจากอาหารก็ม mm ีด hmm> ินน้ําไฟลมเกิดจากจิตก็มีดินน้ําไฟลมเกิดจากอุตุก็มีดินน้ําไฟลมที่เกิดจากกรรมก็มีใช่ไหมเช่นในจักรครู菩萨ในจักรปรสา萨เนี่ยในปราสาทตาเนี่ยในนั้นมีดินน้ําไฟลมเป็นที่ตั้งของจักรครส菩萨 ไอ้ดินน้ำไฟลมที่เป็นที่ตั้งของจกกักรคุปร์ดินน้ำไฟลมอันนั้นเขาเรียกว่ากรรมชะมหาภุทโธุบซ ah ีมองเห็นไหมแต่ถ้าดินน้ำไฟลมที่เรากินก็มัมยที่อยู่กับข้าวอันนี้ดินน้ำไฟลมที่เกิดจากเกิดจากอะไรอุตูบ้างอาหารบ้างหรือในขณะที่หายใจเข้าหายใจออกมีดินน้ำไฟลมไหมมีอันนี้ดินน้ำไฟลมเกิดจากจิต ส่วนดินน้ำไฟลมที่เป็นที่ตั้งของตาเป็นที่ตั้งของหูเป็นที่ตั้งของจมูกของประสาทดินประสาทกายนั้นเป็นกรรมชะมหาภูทรุปสี่เป็นปัจจัยแก่ปัญจา ย, ยตนะที่ตั้งอยู่ในกราบอันเดียวกันกับตนเช่นในประสา ต, า ใ, ส า, ต า, า, าในประสาตาเนี่ยถามว่าันในประสาตานั้นมีดินน้ำไฟลมไหมตัวประสาตาไม่ได้มีดินน้ำไฟลมนะแต่ประสา ท, ทาตาเนี่ย จากโคภาษาธาเนี่ยจะต้องตั้งอยู่ในกลุ่มของดินน้ำไฟลมใช่ไหมถ้าจากโคภาสาจะเกิดมาได้เนี่ยจะต้องต้องมีดินน้ำไฟลมคือในกลุ่มนี้เราต้องเขียนดีกว่าตรงนี้นะ <c oughs> อ๋อเราก็มีลืลมซี่ <c oughs> เนี่ยกรรมชาติมหาพูทธโรบสี่ใช่ไหมคือดินน้ำไฟลมเนี่ยเห็น ไ, ไหมตัวดินน้ำไฟลมที่เกิดในกรลาบเดียวกันกับตนเป็นปัจจัยแก่จาก ขายาตนาจากขายาตนาเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่แก่ตัวจากขรูประสาทเนี่ยเป็นปัจจัยแก่จากขายาตนะสรุปก็คือดินน้ำไฟลมเป็นปัจจัยจากขายาตนะเป็นปัจจ ย, ยุบันเห่นไหมได้อำนาจปัจจัยสี่สาชาต่สาชาตานิสยาสาชาตทีสาชาต า, า, า, า, ต า, า, า, ตาวิคตะถามหน่อยว่ากรรมชะชามหมาพุทโธสีดินน้ำไฟลมเนี่ยเกิดพร้อมจากขรูประสาทไหม เกิดพร้อมไหมพร้อมเห็นไหมเป็นสาชาตะและจักรุรสประาศัยมหาพุทธรูปสี่ไหมเป็นสาชาตานิสยาและจักขุประศาสยังต้องมีอยู่ไหมถึงจะเป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยกับตายังมีอยู่เป็นสาชาติทิและยังไม่ปราศจากไป จึงได้สี่ปัจจัยด้วยประการอย่างนี้ดูสิในะระหว่างรูปต่อรูปเขาเป็นปัจจัยแก่กันและกันเขาไม่รู้จักกันเลยนะเขาไม่รู้เลยนะดินน้ําไฟลมก็ไม่รู้จกักจากขู่ประสาทจากขู่ประสาทก็ไม่รู้จักดินน้ําไฟลมดินตอดินนะดินอาศัยน้ําน้ําอาศัยไฟไฟอาศัยลมเนี่ยเขาไม่รู้จักกันหรอกแต่เขาได้เขาเป็นปัจจัยอุปการะแก่กันไนดะ้นี่เป็นอย่างนี้ทําไมไม่ได้อั ญ, ญยาวเพราะอะไรรู้ไหม ที่ไม่ได้อัญญามัญญาปัจจัยเราจะเริ่มเห็นชัดขึ้นมาก็เพราะมหาพูทธรูปกับอุปาทายรูปเนี่ยคนละอย่างมองเห็นอย่างถ้ามหาพูทธรูปต่อมหาพูทธรูปเป็นปัจจัยแก่การดีขาดกันไม่ได้จริงๆบางครั้งบางคราวเนี่ยไม่มีจักขายาตนะได้ไหมในขณะที่มหาพุทธรูปไปเป็นที่ตั้งให้กับหูโสตประสาทในขณะนั้นก็ไม่มีจักขวายาตนะใช่ไม่ใช่ โสตายตนะชิวหายตนะกายายตนะคานายตนะก็เนยะเดียวกันนี่แหละคำว่าเนยเดียวกันก็คือว่าในขณะที่เขาไปเป็นที่เขาไปอยู่ในกลา พ, พวกนั้นก็ไม่ได้มีกลุ่มท่า น, นอายตนะนี่ไม่ได้เกิดเสมอใช่ไหมเมื่อมีดินน้าไฟลมมองเห็นเนี่ยถ้าหากว่ามหาพุทโธ๔เนี่ยมันเป็น ใช่อะไรเป็นปัจฉาชาตปัจจัยนามเตสิกขันสาที่ในภวังกจิตใช่ทั้ง16ขณะ16ดวงเนี่ยนะนามคือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันที่เกิดที่ภวังดวงที่หนึ่งสามสี่ห้าจะถึงดวงที่ส6หหลังปฏิสนธิมาเป็นปัจฉาชาตปัจจัยในฐานะเกิดหลัง เป็นปัจจัยอยู่สองขณะคืออุปาทขณาและทิฏฐิขณะเว้นพังคัขณะ ข, ของจิตเหล่านั้นไปช่วยอุปการละแกเอกัชกายคือกรรมมักระาบสามเจดสที่เกิดที่อุปาทขณาของปฏิสนธิจิตในปฏิสนธิการนี้เป็นอย่างนี้นะมองเห็นแล้วแต่นี้อภิบารต่อมาอภิบารต่อมาทวิกายทวิกายตรงไหน กรรมชกลาบสามอุตุชะกลาบสามเจ็่มาเพิ่มกลายเป็นทวิกายเห็น ไ, ไหมย่อหมูมองเห็นอย่างคําว่าเอกัตชกายนี่คือกายหนึ่งคือกรรมชกลาบกรรมชรูปทวีกายเพิ่มมาอีกกายหนึ่งคืออุตตุชะกลาบเป็นสองกายเป็นทวิกายติกายละ่ะก็มีกรรมชะกลาบอุตุชะกลาบและเพิ่ม จิตตะกาาักระาปอีกเป็นติกายเจตุกายมีไหมมีในประวัติการหลังๆมาเนี่ยกรรมมะชะการะาปอุตุชการะาปจิตตะชการะาปอาหารชการะาปตั้งแต่อาหารการะลาบเริ่มต้นขึ้นแก่สัตว์ราวสัปดาห์ที่สองที่สามเป็นต้นไปอันนี้คือเจตุชกายคือกายสี่สรุปก็คือว่าอย่างพวกเรานี่มีกายเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะเน้นขวัญ กายสเนีพวกจตุกายจตุชะกายพวกเนี้ยใช่ไหมพรมพรมพรมกายเท่าไหร่เว้นอะไรออกไปพรมเว้นอาหารก็เหลือติชะกายใช่ไหมใช่ว่าเว้นอาหารออกไปพรมมีกายสามถึงนั้นกลุ่มพวกสัตว์ที่เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาที่กลุ่มกลุ่มมีครบนี่นะ อันนี้กายสีอโรปภพมอ่ะมีกายไหมไม่มีรู ป, ปะกายมีนามกายอย่างเดียวเลยแล้วใครมีธรรมกายอ่ะพระพุทธเจ้ามีธรรมกายมีโอะโรกตรจิตแปดเจตสิกสามสิบหกนิพพานจัดเป็นธรรมกายผู้ใดเห็นธรรมกายผู้นั้นเห็นเรา <c oughs> ใหนะ้ต้องโพเทถูกนะต้องย้หลักฐานนี่ถูกเดี๋ยวไปบอกธรรมกายบางอย่างไม่ใช่เนะีย ใช่ไหมเนี่ยลักษณะของคำว่าททวีกายเกิดที่ถีติขณะของปฏิสนธิจิตอันนี้ทวีกายจะตั้งอยู่ได้ก็คือมีปัจฉาชาตปไัจจัยกลุ่มนามขันนั่นแหละติกายเกิดที่อุปาทขณะของผวังดวงที่หนึ่งนี่เป็นอย่างนั้นนี่ในกลุ่มลักษณะอย่างนี้ก็คือว่า เกี่ยวกับเนด้านการเป็นปัจจัยเนี่ยเออถ้าในลักษณะของพวกคัพเพเสร ย, ยกะนะจะตูชากายกรรมชกะลาเป็นต้นตั้งแก่อาหารเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นที่ปฐมมโนทวารวิถีและทุติยามโนทวารวิถีเริ่มแล้วนะเป็นมโนทวารวิถีที่สองเป็นต้นไปหรือที่หนึ่งที่สองเป็นต้นไป เ, เริ่มขึ้นมโนทวารวิถีเป็นต้นไป รู้จักปฐมมโนทวารวิถีไหมเป็นวิถีแรกวิถีแรกในภูมินั้นๆในปัญจโวกะรภูมินั้นในจตโวนั้นนั่ น, <c oughs> น, นเป็นลักษณะอย่างงั้นเออถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็เริ่มจะมองเห็นเ้าโคงด้วยไหมว่าแม้ปัจจัยเกิดหลังอย่างอุปธรรมอุปการารูปธรรมที่เกิดก่อนได้แต่ก่อนถ้าเรามองในฐานะว่าปัจฉาชาแตปัจจัยเนี่ยอุปการาในฐานะไหน ในฐาะนะทำให้รูปนั้นตั้งอยู่เห็นไหมน้ำเกิดหลังอุปการละทำให้รูปนั้นตั้งอยู่ที่อุปาทขนาดทีติขนาดของนามในอุปการละรูปในขณะถีติขณะหรือถีติปต า, า49ของรูปไม่ตั้งอยู่ได้ครบสีถีติปตา49่สบบททิบเ้าใช่ไหนก็จะต้องมีนามมาทําเกิดหลังหลังในสืบต่อกันเรื่อยๆอยู่เลยถ้าไม่มีนามมาทําเกิดหลังหลังสืบต่อกันเรื่อยๆให้สังเกตได้ในมรณาสันนวิถี พอในมรณาสันนวิถีเนี่ยพอจุติจิตกเกิดแปลว่าดับมีรูปสักรูปไหมที่ตั้งอยู่ได้เห็นหรือยังไม่มีรูปใดจะตั้งอยู่ได้เลยเพราะไม่มีนามธรรมที่จะเกิดสืบต่อคอยอุปการะรูปในภพนั้นสัตว์เหล่านั้นก็เรียกว่าตายใช่ไหมแล้วหมูหมองเห็นไหมทีเนี้ยถ้าพูดอย่างเงี้ยมองไม่เห็นเลยเนี่ยใช่ไหมตาไม่ทันใช่ไหมเอาในมรณาสันนวิถีอ่ะ แปลวิถีสุดท้ายของพบหนึ่งจุดติจิตเกิดไหมเพราะจุดติจิตดับปุ๊บแล้วมีรูปที่ไหนเกิดต่ออีกไหมกรรมมชรูปจิตตชะรูปอาหารชรูปเน่ยเห็นไหมไม่มีเลยใช่ไห ม, มไม่มีการอุปการละนามจะไม่อุปการะละรูปอีกแล้วชื่อว่าท่านผู้นั้นตายจริงๆด้วยเห็นไหมว่าอำนาจของปัจฉาชาตะไม่มี อำนาจของปัจฉาชาตวิปยุทธเกิดหลังเป็นวิปยุทธด้วยอำนาจของปัจฉาชาตทิทถิโดยความมีอยู่ของของนามธรรมหลังๆไม่มีและโดยความปราศจากไปแล้วของนามธรรมเห็นไหมว่าถ้าไม่มีปัจฉาชาตะคือปัจจัยคือนามธรรมเกิดหลังถ้าไม่มีปัจฉาชาติปัจจัยที่อยู่ในฐานะเป็นวิปยุทธกับนามธรรมครอยอุปการะถ้ายังไม่มีอยู่หรือปราศจากไปแล้ว เสร็จเลยรูประทามตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อถีติปัตตะสี่สิบเก้าขณะของแต่ละรูปตั้งไม่ได้รูปทุกรูปที่มีถีติปัตตะก็ดำลงอยู่ไม่ได้ที่จะต้องอาศัยนามพวกนี้นะก็อยู่ไม่ได้ก็เรียกว่าท่านผู้นั้นนะี่มรณะคือตายแล้วพบหนึ่งชาติหนึ่งแล้วถ้าหากว่าไม่มีปฏิสนธิวิญญาณสืบต่อไป จิตที่เกิดหลังๆก็ไม่มีโอกาสอุปการะรูปธรรมให้ตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานสัตว์เหล่านั้นจึงเรียกว่าปรินิพานโดยแท้หมดสังสารวัฏจริงๆใช่ไหมไอ้คำว่าสังสารทุกการสืบต่อของวัฏฏะหมดสิ้นจริงๆนี้สิเขาเรียกว่าเป็นการดับถาวรนะใช่ไหมดับถาวรจริงๆมันต้องดับอย่างนี้ดับปัจจัยทั้งหลายได้ด้วยเมื่อไหร่จะถึงวันดับปัจจัยอย่างนั้นได้ จะได้เป็นผู้ไม่มีจริงๆท่านสิไอ้คำมันยังมีอยู่นี่โอ้โหนะถ้าจะมีอยู่ในฐานะเป็นอะไรเป็นทุกหมดเลยใช่ไหมเป็นทุกหมดเนี่ยต่อไปก็สร้างเหตุปัจจัยเพื่อจะไม่มีเออเป็นอย่างนี้นะพวกเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็กอบโวยกันใช่ไหมเกาะโวยขอบะโวยถ้ายังเกาะโวยอยู่ไปนิพผ่านไปเลยต้องสละให้หมดก่งอนสละให้หมดขันต้องสละด้วยไหมสละขันนี้แล้วต้องไม่นําขันใหม่กลับมาด้วย สละทิ้งให้หมดถ้าอย่างเงี้ยไปนิพานได้ถ้าจิตคิดขนาดนั้นได้บอกไม่เอาและสละหมดถึงนี้ไปได้ดับทุกข์ได้แต่สําคัญมันยังอยากมีบางขันอยู่เยอะไหมอยากจะมีอยู่เยอะไหมถ้าอย่างนั้นก็ยังดับทุกข์ไม่ได้อยาจะไปร้องเรียกหานิพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิหรือว่าพระนิพานเนี่ยร้องไปเถอะ ถ้าไม่รู้จากเหตุปัจจัยและไม่ทําเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นก็ดับทุกข์ไม่ได้เมื่อดับทุกข์ไม่ได้สายเกิดมันเกิดตลอดอยู่แล้วมองเห็นไหมโยโหมมันเกิดอยู่แล้วพอมีทุกข์ใช่ไหมอะไรละอะไรละอะไรละอาศัยทุกข์ถ้าหากกลุ่มตามว่าทุกข์อาศัยชาติใช่ไหมทุกข์ในอาศัยชาติใช่ไหมชาติละอาศัยภพ เพราะการเกิดใช่ไหม้องมีชาตินี่อุบตรงนี้มาจะคําว่าอุปติภพเหมยอมสลีเป็นปัจจัยเกิดชาติฉะนั้นอุปตินี่คือการเป็นปัจจัยเกิดชาติหรือกรรมเนะกรรมมาพบเป็นปัจจัยเกิดชาติแล้วก็พบอาศัยอุปาทานอุปาทานอาศัยตัณหาตัณหาอาศัยอาศัยอะไรตัณหาอาศัยอะไรเวทนาเวทนาอ า, าศาัยภาษาภาษาอาศัย อายตนะอาญตนะอาศัยนามรูปนามรูปอาศัยวิญญาณวิญญาณอาศัยสังขารสังขารอาศัยอวิชชาเห็นไมเมื่อมีกระบวนการของความทุกเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยปัญหาอยู่ตรงที่ว่า <c oughs> เนรปิยุทธ์จะอาศัยอาศัยทุกข์ให้เกิดศรัทธาหรือจะอาศัยทุกให้เกิดอวิชชาเราฮะ จะสร้างทุกสายเกิดหรือจะดับทุกขจะมีศรัทธาได้หรือยังถ้ามีศรัทธากรลิบน้อมก็หาศีลเพื่อจะทําให้เกิดปลาโมดทําให้เกิดปีติเป็นต้นยอมดิมองเห็นปะเห็นอย่างมีศรัทธายัางมีศรัทธาเห็นทุกหรือยังอยากจะพ้นทุกไหมล่ะอยากจะพ้นทุกก็ต้องน้อมก็หาศีลเพื่อจะได้ไ ด, ได้ปลาโมดปลาโมดจะได้ทําให้เกิดปิติ จดมุ่งหวังเราหวังอะไรกันแน่เนี่ยหวังอากอาสวะขยญาณหวังพระนิพพานเนี่ยหวังวิมุตติวิสุทธินะเราไม่ใช่ติดอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งนะนั้นศึกษาปฏิจจะต้องศึกษาปฏิจจะให้ดีถ้าปล่อยให้ให้อาวิชามันเกิดมันเหมือนว่าเออเราจะให้สายไหนเกิดว่างั้นเถอะสายดับทุกหรือสายมีทุกขเอาสายไหนดี อยากจะทำสายดับแล้วในที่นี้จริงหรือเจ้าเขหรอใช่ไปฏิจจาเนี่คือปัจยาการหมายถึงอาการแห่งธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเนี่ยนะนี่เป็นอย่างนี้ที่นี้ว่าในปฏิปทาสูตรพระพุทธเจ้าตรัสตัวไว้ที่สาวสถีโดยย่อๆท่านบอกว่าเราจากแสดงมิจฉาปฏิปทา ข้อปฏิบัติที่ผิดและสัมมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ถูกเหมือนแล้วก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายบอกจะแสองปฏิปทาสองอย่างนี้ให้เกศเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเลยจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นรับแล้วพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายว่ามิจฉาปฏิปทานนะั้เป็นอย่างไรเข้าใจคําว่ามิจฉาปฏิปทาไหมข้อปฏิบัติที่ผิดเนี่ยเรียกมิจฉาปฏิปทา ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการแห่งการเกิดขึ้นของมิจฉาปฏิปทาถามว่ามิจฉาปฏิปทาเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงปฏิสตุบาทสายเกิดอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณเป็นต้นเนี่ยวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดสราเยตนาสราเยตนาเป็นปัจจัยจึงผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมี เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติมีเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณาโสก่าปริเทวะทุกขโทมนัสอุพายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุ ก, น, ทกนี้เป็นมิจฉาปฏิปทาห น, นี้เป็นมิจฉาปฏิปทามีความทุกเกิดขึ้นแล้วก็ทําอวิชชาเป็นต้นให้ดําเนินไป นี่อย่างนี้ถ้าสัมมาปฏิปทาละแสดงยังไงอวิชชาดับไม่มีเหลือด้วยวิราคะอะไรก็ดับสังขารก็ดับใช่ไมแต่อวิชชาจะดับอย่างไรต้องไปศึกษาแล้วเนี่ยตอนนี้นะอวิชชาจะดับยังไงเนี่ยถามว่าเพราะสังขารดับวิญญาณก็ดับไปเรื่อยเลยเนี่ยใช่ไหม สังขารดับวิญญาณดับพอวิญญาณดับนามรูปก็ดับพอนามรูปดับสราญตนะก็ดับสราญตนะดับผัสสะก็ดับเพ่อผัสสะดับเวทนาดับพระเวทนาดับเวทันหาก็ดับเพราะตันหาดับอุปาทานจึงดับพระอุปาทานดับพบจึงดับพอพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณโศกาปริเทวทุกขะโทมนาสาและอุปาญาตจึงดับ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลมีได้ด้วยประการอย่างนี้อย่างนี้เป็นสัมมาปฏิปทาสัมมาปฏิปทานี้เป็นข้อปฏิบัติผิดหรือถูกเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทสายเกิดทุกเนี่เป็นมิจฉาปฏิปทาเพราะเป็นปฏิปทาไม่แน่นอนทำให้เกิดในการมาพบรูปพบและอรูปพบเป็นตัวเป็นต้นตอของวัตะเป็นตัวเป็นต้นตอของวัตตะ ส่วนสัมมาปฏิปทานั้นเป็นปฏิสุบาทสายดับเป็นสัมมาปฏิปทาเป็นปฏิภาที่แน่นอนพอนําไปสู่ความสิ้นทุกข์แล้วก็ดับทุกข์นี่เป็นอย่างนี้นะเออถ้าทําความเข้าใจอย่างนี้เสียก็จะได้ตรงกันเลยคำว่าตรงในที่นั้นคือตรงกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่ตรงเป็นไปลักษณะอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมว่าสิ่งที่ไม่ควรประสบ และก็ไม่ควรได้เนะี่ยกายยัตุจ God, ริทธวจีทุจริทและมโนทุจริทธอารมณ์ที่มาทางทวารตาเสียงที่มาทางทวารหูกลิ่นที่มาทางทวารจมูกรสที่มาทางทวารลิ้นมากระทบทางทวารลิ้นสัมผัสที่มากระทบทางทวารกายทำอารมณ์ที่กระทบทางทวารใจถ้ากายยัตุจริทธวจีทุจริทมโนทุจริทเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรประสบแต่ถามว่า และก็ไม่ควรได้ใช่ไหมแต่มันประสบแต่มันได้ในชีวิตจริงแล้วถามว่าสิ่งที่ควรจะประสบและควรจะได้ถ้าอารมณ์มาเกี่ยวข้องมาพัวพันทางทาวารตาหูจุกลิ้นกายใจกายสุจริตมโนสุวจีสุจริตและมโนสุอันนี้ควรประสบควรได้แต่มันไม่ได้ถามว่าอะไรปิดเห็นชัดชไหมว่าอาวิชาปิดปิดอย่างนี้ทําให้เราไม่ประสบในสิ่งที่ควรประสบ ไม่ไม่ได้ในสิ่งที่ควรได้แล้วทําให้เราประสบในสิ่งที่ไม่ควรประสบทําให้เราได้สิ่งที่ไม่ควรได้เห็นโทษของอวิชาย่างนี่ยอันไปดูอวิชานเป็นแบบนี้นี่แหละอวิชาเป็นแบบเนี้ยเริ่มเมืองเตลียดอวิชาอย่างเริ่มจะเบื่อหน่ายอาวิชามั้ยทีนี้ประสบอย่างเดียวแล้วมันไม่พอเนี่ยปัญหาก็คือว่าตามมาอีคำหนึ่งคืออะไรรู้ไหม สิ่งที่ควรทราบเนี่ยคืออะไรเอ่อสิ่งที่ควรทราบเนี่ยนี่ของสิ่งที่ควรทราบและสิ่งที่ไม่ควรทราบเนี่ยอะไรเดียวสิ่งอะไรนาะคือสิ่งที่ควรทราบที่จริงองเนี่ยถามอย่างนี้ถ้าถามอย่างนี้หลายๆคนอาจจะคิดเป็นหลายๆมุมเนาะแค่คิดมุมไหน Lions. สิ่งที่ควร ท, ทราบใช่สัจจศีลเนี่ย ค, ควรทราบทุกขสัจสมุทยสัจนิโรธาสัจแล้วก็มรรคสัจเนี่ยควรทราบใช่ไหม และเมื่อควรทราบแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทราบเราจะทํากิจเพื่อไปทราบได้ไหมมันไม่ได้เห็นไหมว่ามันอะไรลราเป็นตัวเป็นตัวที่ไม่ไม่ให้เราทํากิจที่จะเข้าไปทราบความจริงเนี่ยมันน่าจะเข้าไปรู้มันน่าจะเข้าไปทราบมันน่าจะเข้าไปเห็นเห็นมเห็นไหมฉะนั้นอวิชชาเนี่ยไหมทีนี้แล้วมันไม่ใช่แก่นั้นหร เราดูหน้าตาวิชาที่ผ่านมากับย้อนดูนิดนึงแล้วลองดูอีกอย่างนะหรือว่าบังคับอะไรเอาที่มันมันบังคับให้สัตว์โลกทั้งหลายนะเนี่ยแล่นไปในสภาวะที่มันไม่จริงในสภาวะที่มันเป็นทุกสภาวะที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกสภาวะที่มันเป็นความดับทุกหรือสภาวะที่เป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกเนะี่ยไอสภาวะเหล่านี้ทําไมสัตว์โลกไม่แล่นไปเห็นใช่ไหม อะไรล่ะที่บังคับทําให้เราไม่แลเห็นไม่ไปมองเห็นหรือว่าไม่ไปตรึกให้เห็นถามว่าไม่บังคับให้สัตว์แล่นไปในสภาพธรรมที่เป็นจริงอะไรคือไม่บังคับอวิชชาใช่ไหมอวิชชาเพราะอาวิชชาเนี่ยเขาเขาเป็นยังไงเขาให้สัตว์นั้นแล่นไปในสภาวะที่ไม่จริงแล้วก็ไม่บังคับให้สัตว์นั้นแล่นไปสู่สภาพที่แท้จริงเลย มันตรงกันข้าวใช่ไหมน่าจะให้เราไปเห็นความจริงแต่มันไม่ให้เห็นแล้วยังบังคับด้วยนะไม่เห็นให้แล่นเบผิดทางเรื่งั้ น, นให้สังเกตโดยบนกระดานเนี่ยอวิชาดูมันกำกับที่มันแล่นไปหาสังขาร น, นุ่นสังขารแล่นไปหาวิญญาณเ ง, งี้ยวิญญาณแล่นไปหาเนี่ยแต่อวิชาคอยบงการเบ็ดเสร็จเห็นนี่ยังโทษของอวิชาเป็นอย่างนี้นั้นความไม่รู้อริยสัจเป็นต้น นี่แหละ เ, เป็นสภาพที่เป็นอวิชานะนี่ดีเป็นอย่างนี้ทีนี้พอไปดูสภาพของอวิชชาอย่างนี้แล้วบอกว่าและสภาพของสังขาร น, นะนี่เราเรียนมาแล้วเราพูดสังขารได้แล้วใช่ั้ยนิย้อนเนะี่ยถ้าสังขารธรรมะที่ปรุงแต่งหมายถึงอะไรกุศลอ่ะกุศลละก ร, รมกุศลอ่ะกุศลเหล่าเนี้ย แยกออกเป็นปุญญาพิสังขารน่ะปุญญาพิสังขารแล้วก็อเนนชาพิสังขารในสังขารสามเหล่านี้ปุญญาพิสังขารสิบสามคืออะไรมหากุศลเจตนาแปดแล้วก็รูปกุศลเจตนาห้าอย่างนี้ชื่อว่าปุญญาพิสังขารอากุศลเจตนาสิบสองเป็นอนปุญญาพิสังขารแล้วก็อเนนชาอารูปกุศลเจตนาสี่เป็น อเนญชาพิสังขารรวมเบ็ดเสร็จเป็นเจตนากรรมหรือเจตนายี่สิบเก้าชื่อว่าสังขารสังขารเหล่านี้นะเขาเรียกเป็นเหตุในอดีตทำให้ได้วิญญาณในปัจจุบันเนี่ยมองยังนะเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของสังขารนะส่วนในล้านของวิญญาณก็คือวิปากจิตที่ทำปฏิสนณที่สิบเก้าประวัติวิญญาณอีกสามสิบสองเนะ นามและรูปก็คือนามรูปบรรดานามรูปเหล่านะั้นนามในที่นี้ได้แก่ขันสามนะเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันส่วนรูปไดแก่รูปที่มีกรรมเป็นสมูทฐานแยกเป็นภูต ร, รูปและอุปาทายรูปก็เอาแต่กรร ม, มชรูปนะอย่าลืมแยกให้ออกเสียทั้งสองส่วนทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านเอาปฏิสนธิวิญญาณมาด้วยนามรูปปปัจจยา นามหนึ่งรูปหนึ่งเป็นนามรูปอายตนะมีหกจากขาอายตนะเป็นต้นเนะี่ยชื่อว่าอายตนะถ้าตามมติของอาจารย์ภายนอกบางพวกทนอาอายตนะภายนอกด้วยทีนี้แล้วก็ภาษาภาษาที่เกิดทางทวารทั้งหนะ่ยจากขุ ส, สัมผัสภาษาเป็นต้นนั่นเองต่อไปก็ไปเรียนแล้วก็เวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาวเวขาเวทนา ตัณหาสามก็เอาการ ม, มาตัณหาภพะวตัณหาวิภวะตัณห า, ะะหาแล้วก็ไปแยกเป็นตัณหาร้อยแปดตัณหาตามอารมณ์6อุปาทานสี่กามุปาทานที่ถูปาทานเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็เอตัณหา อ, อุปาทานเนี่ยท่านในคัมภี์ท่านอุมาดีนะตัณหาเหมือนพวกโจรที่ยื่นมือไปในที่มืดการยึดอารมณ์ที่ได้มาถึงจัดเป็นอุปาทานใช่ไหม เหมือนเราจะไปลักของเขาในที่เมื่อจะยื่นมือไปตัณหาเหมือนกันพอไปได้แล้วกำแน่นก็นกนดึงยึดเลยตัณหาเป็นค่าศึกต่อผู้ปรารถนาน้อยนะคนที่ปรารถนาน้อยนี่เป็นเป็นค่าศึกต่ อ, ต, อต่อต่อตัณหาอุปาทานละ่ะเป็นค่าศึกต่อสันโดษตัณหาจึงเป็นรากเงาของทุกข์ที่เกิดจากการนรักขาโดยขออภัยเกิดจากการสแสวงหามองเห็นไหมครับเนี้ย ตันหาเป็นรากเง่าของการของความทุกข์ที่เกิดจากการแสวงหาอุปาทานเป็นรากเง่าของความทุกข์ที่เกิดจากการรักษาการรักษาหรือเรียกอารักขานี่นี้เป็นความแปลกกันระหว่างตันหาและอุปาทานเหล่านั้นพบมีสองอย่างกรรมภพและอุปปติภพบพบที่หนึ่งชื่อว่าพเพราะเป็นแดนเกิดของผลพบที่สองอขออภยัยพบที่หนึ่งเนี่ย ชื่อเพราะเพราะเป็นแดนเกิดของผมผลน่ยเพราะเป็นเหตุให้เกิดผลนั่นเองอันนั้นก็คือเจตนากรรมยี่สิบเก้ามีกุศลอกุศลเป็นต้นส่วนพบที่สองที่อุปาติภบนี่นะเชื่อภพเพราะได้เกิดเป็นพบที่สองเพราะได้เกิดพบที่สองภพถัดไปนั่นแหละจากพบนี้เป็นพบที่สองได้เกิดนั่นเองอาการเกิดขึ้นของกรมาภพเป็นต้นเป็นอย่างนั้น ในบาลีที่บอกว่าอุปาทานปัจยาภโวนิอุปาทานเป็นไปเกิดเกิดพบท่านประสงค์เอาอุปติพบด้วยนะเพราะเป็นปัจจัยเกิดชาติประสงค์เอาแต่กรรมเาพบเท่านั้นให้เข้าใจนะตัวนี้เข้าใจคร่าวๆไปก่อนนิดนึงคําว่าอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดพบเอาทั้งสองอย่างทั้งกรรมมาพบและอุปติพบส่วนอุปาพบเป็นปัจจัยเกิดชาติ หมายเอากรรมมพบอย่างเดียวนหมายเอากรรมมพบเป็นความจริงกรรมมพบนั้นเป็นปัจจัยเกิชาติไม่ใช่อุปติภพเป็นปจัจจัยยังอยู่อุปติภพเนี่ยนะเป็นสภาวะแห่งขันที่ปรากฏครั้งแรกจัดว่าเป็นชาติอุปติภพเนี่ยนะเป็นสภาวะแห่งขันที่ปรากฏครั้งแรกนี่จัดเป็นชาติก็ทำมาก็ธรรมชาติกล่าวคืออุปติภพนั่นแหลจะเป็นเหตุแห่ง อุปติภพหาสมควรไหมก็แปลว่าเราจะไปบอกว่าการปรากฏเกิดขึ้นของชาตินั่นแหละเรียกอุปติภพทีนี้อุปติภพจะไปเป็นปัจจัยเกิดชาติท่านยิวบอกมันไม่ควรไม่ควรจะไปกล่าวอย่างนั้นไม่ควรไปกล่าวอย่างนั้นการให้อัตภาพของสัตว์นั้นๆในที่มีคติเป็นต้นเนี่ยเช่นมีอะมี นิรยาคติเทวคติเปรตกติเดรจฉานค ต, นคติมนุษย์คติแล้วก็เทวคติเนี่ยการที่ทําให้ได้คติเหล่านั้นอันนั้นเป็นชาติหรือได้ขัน น, นะนะได้ปัญจโวกัลชาติได้เอกโวกัลชาติได้จตุวโวกัลชาติได้การเกิดขึ้นของขันหนึ่งขันสี่ขัน 1, ขันห้าอย่างเราได้อะไรเกิดขึ้นมาได้ขันห้าการเกิดขึ้นของขันห้าชั่วชาติ ได้ติเนี่ยยังเราได้สุคติไหมได้สุคติพบทีนี้ความเก่าความคําค่าของอัตภาพที่บังเกิดขึ้นความเก่าของอะไรโรปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาเวทนาของเราในพบนี้จะโดงเป็นเวทนาเก่าหรือเวทนาใหม่เวทนาเก่าทำไมจึงเรียกว่เวทนาเก่าเพราะไม่ใช่เวทนาในพบต่อไป มันสืบเนื่องมาจากเก่าในพบนี้ถ้าจัดอยู่ในวงพบนี้อยู่ก็ยังจัดว่าเก่าอยู่ในรูปประคันก็นความเก่าค้าค่าใช่ไหมถามว่าเอาเวทนาขันแก่ได้ไหมแก่ได้สัญญาขันสังขารละขันวิญญาณขันเขาแก่ได้ใช่ไหมเพราะรูปประคันยังแก่ได้เลยแต่ความแก่ของเขาเราเห็นไม่ได้เห็นไม่ปรากฏแต่ถ้ารูปแก่ปรากฏเห็นเลนึ่นความเก่าค้าค่าของอัตภาพที่บังเกิดขึ้นรวมๆเป็นอัต รวมๆอัตภาพเนี่ยอัตภาพคําค่าแล้วชรามากแล้วแก่ ง, งอมแล้วหนังเหี่ยวย่วนแล้วโค้องงอแล้วเนี่ยสภาพความเป็นไปเริ่มลําบากอย่างนั้นก็เรียกชราความสิ้นสุดลงแห่งอัตภาพที่กําหนดไว้ในภพหนึ่งหนึ่งเมื่ อ, อไหร่จะสิ้นสุดอะไรทําให้สิ้นสุดมรณะเอามรณะทําให้สิ้นสุดความร้อนแห่งจิตของบุคคลผู้ถูกความพินาศไปของญาติของต้น อันนั้นก็เป็นความโศกความร่ําไรลําพันธ์ของผู้ที่ทุกข์นั้นชื่อปริเทวะส่วนทุกขเวทนาทางกายชื่อว่าทุกข์เวทนาทางใจชื่อว่าโทมนัสถ้าคับแค้นใจอย่างเหลือเกินของผู้ที่ถูกความย่อยยับแห่งญาติเป็นต้นอันนั้นก็เป็นอุปายาตไปนี่ความเกิดขึ้นกองทุกเป็นอย่างนี้นะทีนี้ดีกาดีกาท่านเตือนเตือนนักศึกษาดีกาาจารย์เตือนนักศึกษาที่จะเข้าไป รอบรู้ในปฏิจจาท่านเตือนยังไงรู้ไหมท่านเตือนบอกว่าท่านผู้ไขในการศึกษาก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อปัจจัยอื่นมีวัตถุอารมณ์เป็นต้นแม้มีอยู่ก็จัดเอาปัจจัยหนึ่งหนึ่งมีอวิชชาเป็นต้นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะภาวะของอวิชชาเป็นปัจจัยที่เป็นประธานและเป็นปัจจัยที่ปรากฏก็บรรดาปัจจัยมีอวิชชาเป็นต้นนี้สังขารทั้งหลายย่อมเกิดเพราะปัจจัยคืออวิชชานะ เพราะสังขารทั้งหลายเป็นไปในสันดานที่มีอวิชา น, นอนเนื่องอยู่ได้เท่านั้นถามว่าสังขารเนี่ยจะเป็นไปได้ก็ในสันดานของเราของสัตว์โลกที่มีอะไรนอนเนื่องอยู่มีอวิชานอนเนื่องอยู่เท่านั้นถ้าอย่างนั้นน่ยสมมุติถ้าคนไม่มีอวิชชาคนคนนั้นจะทําสังขารไม่ได้ทาบุญได้ไหมไม่ไม่เรียกสังขารแล้วเรียกเป็นกิริยาแล้ว คนที่จะมีสังขารอยู่ได้ก็เพราะคนคนนั้นมีอวิชานอนเนื่องอยู่เท่านั้นอวิชานุใสเนอะเมื่ อ, อวิชานุสัยนอนเนื่องอยู่เพราะอัตถว่ายังละไม่ได้เข้าใจคําว่านอนเนื่องให้ดีนะยศหมูนะเดี๋ยวไปเข้าเข้าใจอนุสัยไม่ถูกเดี๋ยวไปหาวันนอนแล้วจะต้องเกิดอยู่ทุกทุกขนาดจิตไม่ใช่อย่างนั้นนะนอนในฐานะที่ยังละไม่ได้นะ อยากจะเห็นเนี่ยเขากงั้นว่านอนแอบตรงไหนหลบตรงไหนซ่อนอยู่ตรงไหนอวิชาเนี่บ่กงั้นถามว่าแท่งทำเป็นบุญเป็นบาปอยู่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นชัดเลยมีอวิชานอนเนื่องอยู่ถามบอกว่าสังขารทั้งหลายย่อมเกิดเป็นปัจจัยคื้อวิชาเพราะสังขารทั้งหลายเป็นไปในสันดานที่มีอวิชานอนเนื่องอยู่ได้เท่านั้นโดยเป็นวิบากของธรรมนะมีวิญญาณเป็นธรรมชาติที่สังขารให้เกิด ทมวิญญาณเนี่ยใครให้มาสังขารให้มาไอสังขารเนี่ยนะคนที่ทำสังขารได้คนคนนั้นมีวิชานอนเนื่องอยู่เหรอหัี้คนที่ปรุงแต่งปุญญาปุญญาเนียนช้าพี่สังขารได้แสดงว่าคนคนนั้นมีอวิชานอนเนื่องอยู่ในขันทสันดานนะหัวงั้นนะทีนี้พอวิญญาณเป็นธรรมชาติที่สังขารให้เกิดก็ตั้งอยู่ในภพอื่นใช่ไหมจึงตั้งอยู่ได้ในภพอื่น จึงอยู่ในเมื่อไม่มีปัจจัยให้เกิดวิญญาณนั้นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นวิญญาณจึงเกิดได้เพราะมีสังขารเป็นเกิดได้เพราะมีสังขารเป็นปจัจจัยทีนี้นามรูปอันมีวิญญาณเป็นประธานเนี่ยแล้วก็ค้าจุนไว้จะตั้งอยู่ได้ในปฏิสนธิในปวัติการเพราะฉะนั้นนามรูปนั้นจึงชื่อว่าเกิดได้เพราะมีอะไรเป็นปจัจจัยมีวิญญาณนั่นแหละเป็นปจัจจัยก็สราญตระนา ไปดูสราญตนาอีกทีทีเพราะมีนามรูปเป็นที่เข้าอิงอาศัยใช่ไหมถ้าไม่มีนามและรูปไม่มีนามคือเจตสิกขันสาไม่มีรูปคือกรรมมชรูปเป็นที่เข้าอิงอาศัยย่อมย่อมเป็นไปด้วยความเป็นประตูแห่งอะไรสราญตนะเพราะมีอะไรเป็นที่อิงอาศัยมีนามรูปใช่ไหมเมื่อมีนามรูปเป็นที่อาศัยแล้วย่อมอยู่ในฐานะสราญตนก็ไป ย่อมจะเป็นไปได้วยความเป็นประตูให้กับผัสสะหกอย่างเกิดเขาจะเป็นประตูให้ผัสสะหกอย่างเกิดเลยนะเป็นจักขู่สัมผัสสะเป็นประตูทางตาทาันทีเลโสตาสัมผัสสะทางหูเลยในชะ่ไหมคานาสัมผัสสะทวารลิ้นเชิวหาสัมพันสากายยาสัมพัสต์แล้วก็มโนสัมผัสสะเนี่ยตามสมควร ไม่ใช่โดยประการอื่นวนั้นเพราะฉะนั้นสลาญาตนะจึงชื่อว่าเกิดไปเพราะมีน้ํารูปเป็นปัจจัยนี้ก็ผัสสะล่ะในเมื่อมีสลาญาตนะเกิดเท่านั้นจึงจะต้องจึงจะถูกต้องอารมณ์ไดนะ้ผัสสะนจักขูสัมผนะัสสะเนี่ยถ้าไม่มีสลาญาตนะไม่มีอายญาตนะก็ถูกต้องอารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมโสตสัมผัสสาขานะสัมผัสสะชิวหาสัมผัสสะกายสัมผัสสะมโนสัมผัสสะ จะถูกต้องอารมณ์ได้แต่เมื่อทวารไม่มีภาษานั้นจะเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นภาษาจึงเกิดมีได้เพราะมีสรัญญาตนาเป็นปัจจัยเมื่อมีการกระทบอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาและปานกลางสัตว์โลกทั้งหลายจะเป็นยังไงได้ไเลยสวยเลย ได้รมที่น่าปรารถนาไม่น่าปรารถนาและลมปานกลางสัตว์โลกจะได้อะไรได้สวยอะไรได้สวยเวทนาได้หาใช่เพราะเหตุอื่นไม่เพราะฉะนั้นเวทนาจึงเกิดเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยมีผัสสะเป็นปัจจัยทีนี้ตัณหาซึ่งมีเวทนาเป็นเหตุย่อมเกิดขึ้นเพราะแกะสัตว์ผู้ตามเห็นความยินดีในธรรมเป็นที่ตั้งของเวทนาได้เพราะฉะนั้น ตันหาจึงเกิดเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยมีเวทนาเป็นปัจจัยนี้เราสัตว์ผู้ถูกยางเหนียวคือตันหาแหละทำให้หิวกระหายจึงเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งหลายถ้ามีตันหายางเหนียวเนี่มันก็ยึดนะเป็นเหตุเกิดุปาทานเนี่ยนะเราสัตว์ยินดีในรมมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏพลาและธรรมะเนี่ย เพราะตัณหาย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มดำลงในกามทั้งหลายดื่มดำไหมดื่มดำสเสน่หาชัดเจนในในในกามเพราะเหตุนั้นตัณหาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานตัณหาเกิดบ่อยๆเป็นอุปาทานได้เกิดซ้ำๆๆดื่มดำ บ, บ่อยๆอุปาทานก็เกิดใช่ไหมจ๊ะทีนี้ ประการต่อมาคือตัณหาเป็นปัจจัยไปเกิดอุปาทานอีกประการหนึ่งสัตว์ผู้ติดใจในรมต่างด้วยรูปเป็นต้นเนี่ยถามว่าถ้าประสงค์จะพ้นจา ก, จากสังสารวัฏอยากจะพ้นเอออยากจะพ้นจากสังสารวัฏแม่งหมู่สัตว์กันทั้งหลายอยากจะพ้นจากสงสารไอ้วัดตัดสงสารเนี่ยโหลายๆคนก็อยากพ้นกันทั้งนั้นนะรูป้ปะอยากพ้นทุกข์กันทั้งนั้นแหละแต่ว่าท่านผู้นั้น <c oughs> มีความเห็นว่า ทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลเป็นต้นถ้าไปมีความเห็นเนี่ยศีลที่รักษาแล้วไม่ให้ผลการประพฤติปฏิบัติดีต่อพ่อแม่อุปชาจารย์เป็นต้นไม่มีผลถ้าไปเห็นอย่างนี้แล้วแล้วยึดมั่นในทางที่ไม่หมดจดว่าเป็นทางที่หมดจดและความเห็นในว่าถ้าว่ามีตนอันเป็นการยึดถือเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยคือเป็นตัวเป็นตนเนี่ย เป็นอัตตนิยะว่าเป็นของของตนอัตตาเนี่ยมันของเราใช่ไหมอัตตนิยะเนี่ยมันของของตนเนี่ยนะถึงไปยึดมั่นในขันธ์ทั้งหลายฉันตัณหาเป็นปัจจัยอย่างนี้เป็นปัจจัยเกิดทิฏฐุ ป, ปาทานมองเห็นใช่ไม้มอันนี้เพราะตัณหาเป็นปจนะัจจัยเนเพราะฉะนั้นอุปาทานจึงเกิดถือเพราะมีตัณหาเป็นปจนะัจจัยนียทีนี้เราสัตว์พวกมีอุปาทานเนะี่ย ด้วยอำนาจแห่งความประกอบนอนเนื่องตามสมควรแล้วนั้นเองเนี่ยจึงเป็นไปพร้อมเพื่อความพยายามให้เกิดกรรมไหมเกิดกรรมใหม่ไหมแต่เนี้ยเมื่อมีอุปาทานแล้วเป็นปัจจัยพร้อมที่จะไปทํากรรมใหม่เพราะฉะนั้นอุปาทานจึงเป็นปใจใัจจัยเกิดกรรมให้แก่พบเนี่ยและชาติคือปฏิภพซึ่งมีกรรมมาพบเป็นเหตุ น, นั่นเองจึงเข้าไปได้ในพบนั้นๆเหมือนกลับอะไร นอนอของนอของพืชมันงอกออกเดี๋ยวจากพืชเนี่ยเคยเห็นนอไหมมันงอกออกจากเมล็ดพืชอ่ะเห็นไหมไอ้นอที่มันงอ ก, อกจากเมล็ดพืชมันเหมือนอะไรครเหมือนอะไรเป็นปัจจัยแก่อะไรกล่อมเป็นปัจจัยแก่อุปตินะมันค่อยๆงอกออกมานะเหมือนอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นภพจึงเป็นปัจจัยแก่ชาตินะนะเมื่อชาตินั่นเองจะเกิดเกิดมีชะลามรณะ จะเกิดขึ้นนี้ไม่ได้แก่เหล่าสัตว์ผู้ไม่เกิดเลยท่านเขาบอกว่าถ้าตรงนี้ดีกาเอาดีกามาขยายให้พวกเราฟังเนี่ยว่าดีกาก็เป็นห่วงนักศึกษาให้ตรึกให้อย่างนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเรียนให้ละเอียดแต่และองค์ไปนักศึกษาควรจะเห็นว่าความมีปรากฏได้เพราะมีอวิชชาเป็นต้นนั้นเป็นปัจจัยความปรากฏเกิดขึ้นของกองทุกข์ของขันเนี่ยได้แก่กองทุกข์กาวคือว่าตะทุกข์ล้วนๆเนี่ย คือไม่เจือไปได้สุขเลยอย่างเงี้ยนี่นะปฏิจจามันเดินไปเนะ่ยไม่มีสุขเจือปนในสักนิดเลยอ่ะแต่เราเห็นกันเป็นสุขไปแต่แล้วใช่ไหมท่านบอกว่าไม่มีสุขเลยๆเลยนะไม่มีเลยไม่ได้เจือปนด้วยสุขเลยแม้แต่นิดย่อมมีได้ด้วยวิธีการสืบต่อของปัจจัยตามที่ได้ดกล่าวมาแต่ไม่ใช่ใคร น, นิรามิดขึ้นมานะอยนะ่างง ไม่ใช่พาอีสวนเป็นต้นเนรมิตขึ้นทั้งไม่ใช่เป็นการเกิดขึ้นของสภาพความสุขและความสวยงามเป็นต้อมในที่การในปัจจัยสังหานี้นี่ท่านว่าไงท่านแนะนำคนที่จะเรียนปฏิจัดส ม, มุบาทเนีเ่ยท่านหวังดีนะดีกาเนี่ยนยะดีกาจาร์ก็ว่ต่อไปขึ้นที่หกสิบสองหน้าหกสิบสองข้อที่สิสิบสี่กรรมชามหาภูทรูป เป็นปัจจัยช่วยประกาศแก่ปัญจยตนาที่ตั้งอยู่ในกราบเดียวกันกับต น, นทั้งในปฏิสนธิการและในปวัติการแห่งปัญจโวกระพุ่นั้นได้หน้าปัจจัยสี่เนี่ยเดี๋ยวก่อนจะรู้ว่าได้หน้าปัจจัยสี่เนี่ยอะไรมันตั้งอะไรมันเป็นปัจจัยอะไรมันเกิดพร้อมกันกับต น, นดูในชิดมีชิดไหมเนี่ยชิดหน้าที่เท่าไหร่น่ยเปิดไปดูจะได้ไม่ต้องเขียนนี่ กรรมชามหาพุทูปข้อที่14หน้าที่เ6ของเอกสารเนี่ยนะเข้าใจคําว่ากรรมชามหาพุทโธไหมกรรมชาติมหาพุทูปนี่หมายถึงดินน้ําไฟลมเนี่ยนะที่เกิดจากอะไรเกิดจากกรรมเป็นปัจจัยเนี่ยเขาเรียกกรรมชามหาพุทูปเช่นมหาพุทูปที่เป็นที่ตั้งของจักขุทรรัสสะกักราบ เนี่ยในจกักรโหตสกราบดูสิดินน้ำไฟลมกรรมชาหมาภูตโรคสีในกระดาบเดียวกันกับตอนนี้นะเป็นปัจจัยอุปการะจากขายาตนะจากขายนาตนะนี่นะรูปารม์คันธารมราสารมอาหารชีวิตรูปเป็นปัจจัยแก่อะไรอายตนะก็มีจากขายาตนะเห็น ไ, ไหมในที่นี้เน้นจากขายาตนะแต่จากขายาตนะ จะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยมหาพุทธมหาพุทธรูปใช่ไจากขายตนาจากขวายตนานี่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปอาศัยมหาพุทธรูปนี่เป็นรูปใหญ่ถามบอกว่าในจักขุู่ทศสักราบกราบที่มีรูปส0บมีไรบ้างดินน้ำไฟลมสีกิรลอดโอชาธาตุแล้วก็ชีวิตรูปตลอดถึงจักขุู่ประสาทหนึ่งรวมเป็น10บรูป ถ้าในนี้ก็บอกว่าอะไรเนี่ยรูปารม์คันธารม์พระสารม์อาหารแล้วก็ชีวิตรูปเท่าไหรแล้วเนี่ยนี่ห้าบวกจากขายาตนไดอีกจากขวายาตอีกเป็นหกหรูปบวกมหาพุทธรูปสี่เป็นสิบนี่เขาเรียกว่ารูปสิบรูปนี้เกิดอยู่ในกระดาบเดียวกันแน่ในกระดาบเดียวกันเขาเป็นปัจจัยแก่กันและกันเนะเป็นไหมเป็นอย่างนี้เขาเรียกกรร ม, มชามหาพุทธรูป นี่คือกรรมมชโรบที่เกิดจากกรรมรู้จักจิตตาช้มหาพุทโธไหมมหาพุทูปเกิดจากจิตเป็นยังไงอิริยาบถ ท, ที่เคลื่อนเป็นต้นเนี่ยนะความไหวหรือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเนี่ยที่จิตคิดดาเนินไปอุปาทัศน์หของจิตเวททวิสิเวทารูปุบกสีออกไปในขณะนั้นจิตตาช้มหาพุทโธก็จิตจิตตาช้มหาพุทรูป็เออปกิดใช่ไหมทีนี้ อาหารช้ามหาอาหารละชามหาพธิโรบอุตูช้ามหาโพธิโรปก็คือรูปที่เกิดจากกรรมชโรปที่เกิดเ อ, อ่อมหาโพธิโรปที่เกิดจากจิตเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารก็แยกย่อยกันออกไปทีนี้ถามว่ากรรมมัชช้ามหาโพธิโรบสี่ในกระดาบเดียวกันตนเป็นปัจจัยจากขาญตนะอาญตนะคือตาเนี่ยเป็นปัจจัยุยนะยนะยยบันได้มานร า, น า, นานปัจจัยสี่ คือสาชาติปัจจ like, ัยสาชาตานิสยะปัจจัยสาชาติทีปัจจัยสาชาตะอวิคตาปัจจัยอย่างนี้เ้าเรียกได้ปัจจัยที่เป็นสาชาตชาติใหญ่ถามเลยแต่เนี้ยทำไมไม่ได้สาชาตชาติเล็กทำไมไม่ได้สาชาตชาติกลางอดูเล็กก่อนทำไมไม่ได้เหตุมาุูธรูปไม่ใช่บใชัใช่เหตุใช่อธิบดีใช่กรรมใช่อาหาร อินทรีย์ไหมมหาพุทโธไม่ใช่ไม่ใช่อินทรีย์ไม่ใช่จกักขุนสีตรินทรีย์ก็ไม่ใช่นะที่จริงนามมอิ น, นทรนะีย์ทุ่มดน่ยไม่ได้อยู่แล้วเล็กเนี่ยนะแต่ว่าถ้าทางอินทรีย์ที่เป็นรูปเขาไม่เอาอยู่แล้วนี่ดูสา่าจะจะช า, ช า, ช า, ชาอีกอย่างก็คือไม่ได้อะไรอันชาญไม่ได้มักมองเห็นนะตัดทิ้งไปเลยแปดเอ็ดเจดกลางกลางสอัญญาบรญยาอุม่ม ไม่ได้ที่มหาพุทธรูปเป็นปัจจัยแก่จากขวายตนะนี่ไม่ได้อัญยาเพราะเป็นมหาพุทธรูปกับอุปาทายรูปไม่ได้วิบากวิปากับปัจจัยวิปากับปัจจัยมหาพุทธรูปไม่ใช่วิบากไม่ใช่เพราะไม่ใช่นามวิปากะนั้นหมายถึงนามไม่ใช่สาชาเตวิบเขาโลภเตวิบไม่ได้เป็นวิบและไม่ได้เป็นสามวิ์และไม่ได้อะไรอันปาสามวิบ หมดแล้วไม่ประกอบกันเนี่ยสรุปแล้วคือได้สด้วยประการอย่างนี้อารามาชาติวัตถุบรชาตชาติไม่ควรเอามาคิดเพราะอยู่คนละชาติอยู่คนละชาตินั้นมายโพธิรูปสี่นี่องค์ธรรมของสาสนาต่ชาตินะองค์ธรรมของสาสนาต่ปัจจัยเป็นต้นได้นี่เข้าใจนะเอาต่อไปข้อที่สิบห้าข้อที่สิบห้ารูปชีวิตตินทรีย เป็นปัจจัยแก่ปัญจายตนะที่ตั้งอยู่ในกระดาบเดียวกันกับตนเออขออภัยนะข้อที่สิบสี่เนะีโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะเป็นไปในจานองเดียวกันเนะนี่ยด้บนาสี่ปัจจัยเหมือนกันนะถ้าตั้งเมื่อไหร่เป็นอย่างนั้นทุกทีเลยตรงเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลืลมไปมองเห็นไหม ถามว่ามหาพูธรูปสี่เป็นปัจจัยแก่โสตายตนะมหาพูธรูปสี่เป็นปัจจัยแก่คานายตนะชิวหายตนะกายายตนะในกราบเดียวกันกันกบตนใช่ไหมที่ตั้งอยู่ในกราบเดียวกันกับตนได้ม า, นนาปัจจัยสี่อการที่เขาเป็นปัจจัยแก่กันและการอย่างนี้เขารู้จักกันไหม เขารู้ไหมมหาพุทธรูปเขารู้ไมว่าตอนนี้เกากาลังเป็นสาสชาติปัจจัยสหชาตานิสยาศาชาติทีศาชาติอวิคตาให้กับจากขายาตนะเป็นต้นเขารู้ไหมเขาไม่รู้เนี่ยเอาต่อไปข้อที่สิบห้าดังที่ได้ ก, กล่าวรูปชีวิตินทร์สีเป็นปัจจัยช่วยประการรักเก็ปัญญาญาตนะอาญตนะคือตาเป็นต้นที่ตั้งอยู่ในกราบเดียวกันกับตนทั้งในปฏิสนธิการทั้งในประวัติการหูข้อนี้อธิบายเมื่อไรกับ ก็แม่นเมื่อนั้นเลยเชื่อไหมในตอบผิดสมัยเรียนเนี่ยตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้เรียนปัจจัยเลยอยู่ไหมเนี่ยไม่ได้เรียนไปตามลำดับอย่างพวกเราอย่างไงไม่ได้เรียนปัจจัยเลยตอบผิดไปเข้าใจยังไง ร, รู้ไหมชีวิตตะชีวิตตินซีอะโรคชีวิตตินรีย์เนี่ยมันเป็นโรคใช่ไหมเนี่ยด้อย่างยกตอย่างในจักรุทธศัศกราบเนี่ย เอกว่าในจากขูทัศกราบมีรูปช so ีวิตอินทรีไหมเห็นหรือยังเห็นชีวิตตะโรบหรือยังเนี่ยเอาตัวชีวิตตะโรบนี่เรามาอยู่ในฐานะเป็นปัจจัยเสียสลับกันหน่อยแล้วก็เอาจากขายาตนะอยู่ในฐานะเป็นจากขายาตนาโสตายาตนาคานายาตนาชิวหายาตนากายายตนะอยู่ในฐานะเป็นปัจยุบันไปพอเป็นปัจจัยแก่กันและกันอย่างนี้อาจารย์คิดตะลอกตอนนั้นนะคิดยังไงรู้ไหม จะต้องได้สาชาติชาติใหญ่สิมันเกิดพร้อมกันนี่เห็นไหมคิดง่ายเลยโอ้ยมัเกิดพร้อมกันตัวปัจจัยและปัจจับันเกิดพร้อมกั น, น, ก ม, กนมันชัดเหนอะเงี้ยนะอ่มันไปเข้าใจอย่างนี้ไ่เข้าใจยังไงบอโ อ, โอ้รูปชีวิตตินรียเนี่ยกับจักขประสาทมันเกิดพร้อมกันนี่อยู่ในกราบเดียวกันนี่กับโสต菩萨สานรน้า菩萨ชีวหาระส菩萨กายยะา萨เนี่ย ก็จะต้องมีชีวิตตะลุกหมดเลยโอ้ชัดเลยอย่างเงี้ยได้สี่ปัจจัยใส่เลยสาชาตะสาชาตานิสยาวนั<อ>้นเห็นไหมว่าไปเข้าใจผิดพลาคถ้าการเรียนไม่ได้ไม่ได้รู้ตามลำดับของปัจจัยเสียหายเลยลำดับชาติเนี่ยมันเข้าใจได้ง่ายๆเลยนะวิธีคิดนะ่ยไม่ยากเลยเขาเกิดพร้อมกันอยู่ในกระลาบเดียวกันตั้งอยู่ในกรหลาบเดียวกันกับตนเนี่ยก็เอาสาชาติชาติมาคิดเลย ที่ไหนได้ไปได้รูปชีวิตดินทรียชาติถ้าเอาชาตินั้นเรามาคิดได้รูปชีวิตตรีเทียบปัจจัยเห็นไหมเป็นอินทรีย์ไหมรูปนี้เป็นอินทรีย์ไหมชีวิตแรูปเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นเป็นรูปชีวิตตรีสีจึงได้รูปชีวิตดินเทียบปัจจัยระหว่างชีวิตแต่รูปกับจักขาเยชนะ้าชีวิตแต่รูปยังต้องมีอยู่ไหมถึงจะเป็นปัใจจัยให้กับ จากขาเยทานะเป็นต้นได้จึงได้อธิปัจจัยเขาเรียกว่ารูปชีวิตตินทริยติรูปชีวิตตินทรียติปัจจัยคืออธิปัจัยส่วนหนึ่งนั่นเองและยังไม่ปราศจากไปไหมใช่ไหมได้รูปชีวิตตินเตริยาอาวิคตปะปัจจัยนี่เป็นอย่างนี้นะได้อวิคตปะปัจจัยด้วยฉะนั้นได้รูปชีวิตต้องเอาในชาติไหนมาคิดเอารูปชีวิตตินเตรียาชาติมาคิด ไม่ใช่เอาสาชาติชาติมาคิดถ้าอย่างนี้กเอาโหยโลภชีวิตตินทรียชาติก็มีกี่ปัจจัยมีสามปัจจัยเท่านั้นไม่มากกว่านั้นนั่นก็ยกมาทั้งชาติต่อไปเลยทันทีง่ายนะคิดปัจจัยตรงนี้แต่บรรลุยากจังมันเลยากเลยเนี่ยยมจมเห็นอย่างมองเห็นนะให้สังเกตดูนะว่าตรงนี้เนี่ยทําไมไม่ได้สาชาติตชาติรูปชีวิตดินรีไม่เป็นสหาชาติ ไม่เป็นไม่เป็นมหาพุทธรูปอันนี้อยู่ในฐานะอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปเขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่เป็นที่อาศัยเห็นไมไม่อยู่ในฐานะที่ว่าจะเป็นที่อาศัยให้กับจักขายตนะโศตายนะเป็นต้นไม่ใช่เขาอยู่ในฐานะรักษาเขาเรียกว่าถ้าพูดด้วยอำนาจก็คือเป็นอนุบาลแค่นั้นเองอนุปาละ มีอำนาจในขาที่ดูแลรักษา